ค 2>, <อ> 2ตอนที่14ตอ น, ตอนสำนักเข า, ขาเทพขณะที่ดาวตกลับหายแสงอรุณก็ปรากฏลำไรไม่ว่าความเมื่อจะยาวนานปานใดจะช้าหรือเร็วแสงสว่างเรืองรองต้องกลายมาสำนักเขาเทพปรากฏณเบื้องหน้า ขุนเขากว้างใหญ่เขียวขจีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลนักมีทะเลสาบอยู่กลางขุนเขาทั้งสามธรรมชาติช่างงามสดใสโอหยางส่างและคณะต่างมองอย่างชื่นชมอีกทั้งหมู่ตึกที่อยู่เบื้องหน้าประจักษ์ได้ว่าท่าภิกษุเต็กฮวบบารมีไม่เป็นรองผู้ใดเลย ไปจางเอ่ยขึ้นว่าท่านเจ้าสำนักสำนักเขาเทพช่างกว้างใหญ่งดงามเสียนี้กับใรมิหน้าละ่ะจึงมีผู้คิดครอบครองเข้ามาลุกลานจนท่านภิกษุเต็มวบได้รับบาดเจ็บองตัวกล่าวเสริมขึ้นว่าภิกษุเต็มวบวิริยุทดย่อมต้องลึกลังมิฉะนั้นไหนเลยจะสร้างสำนักเขาเทพได้ ถูกต้องถูกต้องในอดีต30ปีที่ผ่านมาท่านเป็นหนึ่งในสิบยอดฝีมือของท่านปรมาจารย์ฮวบซิงต้าอวงฟู่และท่านก็เป็นผู้ให้ท่านภิกษุเต็กฮวบออกมาจับจองภูเขาสามลูกนี้ก่อนที่ท่านจะสิ้นไปท่านภิกษุเต็กฮวบได้ออกมาบุกลกล้างพงจนลือชื่อมีความทรนงในความกล้า ท ะ, ะนงในคุณธรรมและเนื่องในโลกนี้ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่มีความท ะ, ะนงเยี่ยงนี้ดังนั้นธรรมะจึงสามารถพิชิตอาธรรมได้มนุษย์เสยธาติจึงสามารถดำรงอยู่พวกเราเข้าไปคาวะท่านกันเถิดโอหยังสังกล่าวพลางเดินนำคณะเข้าสู่อารามเขาเทพเพื่อเข้าพบภิกษุเต็ควบ ต้นไม้บางพลันในต้นฤดูหนาวดูคล้ายด่งแห้งกลนตายไปแต่พอถึงฤดูใบไม้ผลิได้รับลมอบอุ่นฝนชุ่มฉ่ำแสงอาทิตย์โลกไหลพลันกลับกายฟื้นคืนชีวิตมาแตกใบอ่อนอย่างสวยงามอีกลามสิสหายบางจำพวกที่มีคุณค่าต่อผู้คนเกเช่นกับลมฝนแสงอาทิตย์ ในฤดูใบไม้ผลิบัดนี้ร่างชายชลาผู้หนึ่งนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนเตียงไม้ไผ่สายตาฝ้าฟางของชายชลาเพ่งมองดูโออย่างสางและคณะที่เดินผ่านประตูเข้ามาด้วยความดีใจที่มีมิตรสหายชาวฮกสิงมาเยี่ยมเยือนในยามเจ็บป่วยชนนี้ ข้าน้อยโอหยางสังแหงสำนักไต้บุภาขอคารวะท่านผู้โอโศสได้ข่าว่าท่านบาดเจ็บวันนี้ข้าถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนและคิดช่วยรักษาท่านโอหยางสังกล่าวเมีนางเจ้าทราบหรือไม่ว่าเจ้าเป็นสิทธสำนักใดข้าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเลียงนามนี้มาก่อนเลย ข้าเป็นศิทธ์ซื้อแปรบสิ่งเช่นเดียวกับท่านบางอาจอายุเช่นเจ้าจะเป็นสิทธิ์ตับรมาจารย์ผู้ลวงล้ำได้อย่างไรถ้าท่านเป็นสิทธิปรมจารย์จริงเจ้าจงไปพิสูจน์หินก้อนหนึ่งที่บนย่อยเขาน้ําแช่ขอจะให้สิทธิของข้านําเจ้าไปแล้วเจ้าจงมาแจ้งแก่ข้าว่าหินก้อนนั้นเป็นอย่างไร โอหยางสั่งเลขะได้เดินตามสิทธิสานักเขาเทพขึ้นไปบนยอดเขาน้ำแช์ทันทีทันทีที่เศร้าเข้าสู่เขตยอดเขาน้าแช์บนยอดเขามีอารามเล็กๆตั้งสง่าอยู่นางเดินเข้าไปสายตาพลันพบพระพุทธรูปตั้งตระ ง, งานอยู่กลางห้องจิตนางสามารถสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ แล้วนางก็เดินทางลงเขามาสู่ห้องผู้อาวุโสเต็กวบทันทีโอยังสางกล่าวกับภิกษุเต็กวบวา่าเพราะพุทธลูกบนยอดเขา้ํำเฉยมาจะเห็นชื่อเขียวอมปกดมีอายุหลายพันพานปีซึ่งมองดูจากภายนอกจะเห็นเป็นองค์พระสีดำด ำ, ดำแท้ที่จริง เป็นยกเขียวจักระพัดที่แก่จัดจนดูคลายสีดำมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งชื่อว่าท่านจักรัพัดเขียวอมอนกุฎอวันนี้ข้าสุขใจจริงๆมีผู้คนมากมายหวังครอบครองอาณาจักรที่ข้าสร้างขึ้นแต่ไม่มีผู้ใดเลยคขปิศนาองค์พระนี้ได้แม่นางต้องมีสิทธิท่านหัวบสิงจริงจริ รู้ไหมองพระนี้แกสลัมนายจากรก้อนหินกวอนหนึ่งที่กิ่งลงมาจากภูเขาขณะที่ข้ามาสำรวจบริเวณนี้เพื่อสร้างสำนักตามที่ปรมาจารย์สร้างข้ามาเพื่อให้อณาจักรแห่งนี้ในการข้างนเป็นสถานที่หลบภัยให้แก่เราจอมยุทธ์ข้ามาเกิดภัยพิบัติกันทั่วลาข้าพยายามรักษาม่ให้ผู้คิดครอบครอง โดยไม่ชอบมาตลอดหลายสิบปีด้วยวัยอันชราของขา้าจึงต้องบาดเจ็บจนมิอาจข ย, ยับเ ย, ยื่อนกายได้จากการไล่ของผู้บุกลุกในครั้งล่าสุดนี้เองท่านผู้อาวุโสข้าน้อยขออนุญาต ร, รักษาอาการบาดเจ็บของท่านก่อนโอหยงางซางนางเก่า พลางล้วงเอายาเม็ดลูกกรนถอนโมกษ์ใส่ปากพิสุเต็กหวบและขอยืมฝ่ามือของไปจางประทับฝ่ามือเดินพลังวัดเข้าสู่ร่างกายของพิสุเต็กหวบจนกระทั่งพิษุกเต็กหวบกระอักเลือดสีแดง้ํำออกมาจากทางปากและจมูกร่างกายที่แข็งทื่อกลับคืนสู่ปกติทันที สายตาชายชร า, าปรากฏน้ำตาเอา่อล้นจนมิอาจปิดกลั้นได้ชายชร า, าลุกขึ้นนั่งให้โอยังสั่งเดินพลังวัดรอบสองเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งเพื่อเสริมพลังภายในให้กลับเคลื่อนสู่สภาพเดิมข้าต้องขอบใจเจ้ามากที่มารักษาการบาดเจ็บของข้ายังมีสิทธิ์ที่ดูทำลายบาดเจ็บอีกหลายคน ขอให้แม่นางช่วยรักษาพวกข<อ>เขาข<อ>ด้วยเถิดยอมได้พวกข้าและคณะจะไปรักษาให้และตัวท่านเองยังต้องกินยาเม็ดลูกกรอนถอนโมกษะเพื่อรักษาอาการบอบช้ำภายในไปอีก45วันเพื่อเพิ่มพลังวัดและวิทยายุทธให้กลับคืนมาได้ ข้าขอขอบใจแม่นางอีกครั Same, ้งหนึ่งจากใจจริงขอให้แม่นางและคณะพักข่อที่สำนักเขาเทพกวอนข้ามีเรื่องราวอันหนึ่งจะปรึกษาซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยงานที่ท่านปรมาจารย์โฮมซิงได้มอบหมายมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ย่อมได้ข้าน้อยขอตัวไปรักษาศิษย์ท่านก่อนเหตุการณ์ต่อไป ในสำนักเขาเทพจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป